มาจากไหนกันบ้องอบางไหมเพิ่งมาครังแรกเลยรู้จักที่นี่ได้ไหม จะมีหลายแบบ mm hmm. เทศแบบ mm hmm. แสดงกับเทศแบบสนทนา mm hmm. วันนี้จะเป็นแบบสนทนากัน mm hmm. ก็ต้องคุยกันถามกันว่าต้องการอะไรต้องการเทศแบบไหนต้องการทาแบบไหนอยากจะได้ธรรมะแบบไหนลนะ่ะธรรมะก็มีหลายแบบ เมืนเสื้อผ้าจะเาแบบเรียบเรียกง่ายๆหรือเอาแบบหรู้ลราก็มีหลายหลายแบบด้วยกันแบบเรียบเรียกง่ายๆก็ทำบุญทำทานรักษาศีลไปเอแบบรูหราก็ต้องนั่งสมาธิ เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกไปยุ่งกับใครดึงใจเข้าข้างในให้ใจสงบใจสงบแล้วก็จะได้สิ่งที่หรูหราผลที่เกิดจากการทำใจสงบนี่เป็นของหรูหรามากเป็นของวิเศษพิสดาน เป็นของไม่ธรรมดาแต่ถ้าทาบุญทาทานรักษาศีลก็จะได้แบบธรรมดาไม่วิเศษไม่ไม่พิสดารอะไรแต่ก็ดีกว่าไม่ไม่ได้อะไรเลยดีกว่าไปได้ปัญหาได้เรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าไม่ทาบุญเลยไม่รักษาศีลเลย ก็จะได้เรื่องวุ่นวายได้ปัญหาต่างๆได้ความร้อนมาเผาใจถ้าทำบุญรักษาศีลก็จะได้ความเย็นทำให้ใจเย็นสบายมีความสุขปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอยู่ที่การไปทำบาป ทำผิดกฎหมายหรือทําอะไรที่เกินตัวทําอะไรเกินตัวก็ทําให้เกิดปัญหาได้เช่นใช้เงินเกินตัวใช้เงินมากเกินไปก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินพอสมัยนี้เขาให ใจผ่อนได้พอเห็นอะไรชอบอยากได้ก็ซื้อกันโดยไม่คำนึงว่าจะมีปัญญ า, าผ่อนได้หรือเปล่าพอผ่อนไม่ได้ก็วุ่นวายใจใจหน่งก็อยากจะเก็บของที่ได้มาไม่อยากเสียไปแต่เงินก็ไม่พอ ก็จะทำให้ใจวุ่นวายจะไปหาเงินส่วนที่ขาดนี่ตรงไหนดีถ้าหาหาง่ายๆายหาเร็วๆก็ต้องไปทำบาปทำผิดกฎหมายถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องทำบาปก็หาได้ยากหาได้ช้าใจก็จะไม่มีความสุขกับของต่างๆที่ได้ซื้อมา ขเขาต่างๆนี้หน้าที่เป้าหมายของเขาก็คือให้เรามีความสุขแต่กับทํ า, าทให้เรามีความทุกข์กับมันไปพอเราไม่สามารถที่จะรักษาเขาเอาไว้ได้เวลาต้องคืนเข้าไปก็เสียใจเวลาเขายึดรถไปยึดบ้านไป ยึดของที่เราซื้อมาพอเราจ่ายไม่ครบจ่ายไม่หมดอันนี้ก็เป็นการสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้การไม่รู้จักประมาณเราไม่รู้จักประมาณว่าเรามีความสามารถในการที่จะหาสิ่งต่างๆที่เราต้องการ ได้หรือไม่เราก็หาแบบเกินตัวหาแบบเกินกําลังแทนที่จะมีความสุขกับกายเป็นมีความทุกข์ของที่เราคิดว่าซื้อมาแล้วจะให้ความสุขกับเรากับกลายเป็นของที่ทําให้เราต้องมีความทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความความประมาณว่าเป็นยังไงความประมาณก็คือ ความพอดีพอดีทั้งกับความต้องการของเราและพอดีกับความสามารถของเราความพอดีสำหรับความต้องการก็คือคือสิ่งที่เราต้องมีถ้าไม่มีแล้วเราจะเดือดร้อนเช่นอาหารที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคเครื่องนุ่หงห่ม ของพวกนี้เราต้องมีทีนี้จะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ความสามารถของเราที่จะหามาเราก็ต้องรู้กำลังของเราว่าเราจะหามาได้มากน้อยเพียงไรและแบบไหนเพราะอาหารนี้ก็มีหลายราคา เสื้อผ้านี่ก็มีหลายราคาที่อยู่อาศัยก็มีหลายราคาวิธีรักษาโรคไัยแค่เจ็บก็มีหลายราคาถ้าเราไปเอาของที่เป็นแพงกว่าที่เราสามารถที่จะจ่ายได้เราก็จะเดือดร้อนได้แต่ถ้าเราหาของที่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะหาได้ เราก็จะไม่เดือดร้อนดังนั้นเราต้องปรับการใช้ใจ่ายของเราให้มันอยู่กับความสามารถของเราอย่าใช้เกินตัวให้ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะหามาได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อน แล้วจากที่หาสิ่งที่เราต้องการมาได้แล้วสิ่งที่เราต้องมีอีกส่วนหนึ่งก็คือมีสำรองไว้บ้างเพราะการหาไรายได้นี้มันอาจจะไม่สม่ำเสมอไม่ขัไม่ต่อเนื่องก็ได้เดี๋ยวมันขาดตอนขึ้นมาตกงานขึ้นมา ถ้าเราไม่มีอะไรสัมปองไว้เราก็จะเดือดร้อนงั้นเราก็ต้องถือว่าเงินสัมปองนี้เป็นเหมือนกับของที่เราต้องซื้อมาของจำเป็นคือนอกจากที่ต้องมีปัจจัยสี่แล้วเราก็ยังต้องมีเงินสัมปองไว้เผื่อไว้ในวันข้างหน้าเกิดเราไม่สบายหรือเราตกงานเราก็จะได้มีเงินสํมปองนี้มา ใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นเช น, นการซื้อของที่เราจำเป็นเราก็ต้องดูว่าควรจะมีมากควรจะมีน้อยมีมากเกินไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมากเกินที่เราต้องการถ้าเราซื้อก็ต้องซื้อพอพอที่เราต้องการจะใช้เก็บเงินไว้ สำรองไว้สำหรับซื้อวันข้างหน้าเวลาที่เราไม่มีไรายได้เราก็เอาเงินสำรองนี้มาไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้มันหมดไปเท่านั้นพอหมดแล้วเวลามันไม่มีจะทำยังไง น, นี่คือวิธีอยู่แบบชาวพุทธต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอย่าอยู่ด้วย ความอยากอยู่ได้ใช้จ่ายแบบมีเหตุมีผลใช้พอประมาณเก็บไว้สำหรับสำรองไว้ของที่ไม่จำเป็นนี่ก็อย่าไปเสียเงินเสียทองเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่มีมันเราไม่ตายนี่แล้วก็ถือว่าฟุ่มเฟือย สิ่งไหนที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วมีก็ถือว่าฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่ต้องมีแต่มีมากเกินไปก็ถือว่าฟุ่มเฟือยเช่นเรามีเสื้อผ้าพอใช้แล้วไม่ขาดแคลนแล้วแต่ยังซื้อใหม่อยู่เรื่อยอ ย, อย่างนี้ก็เรียกว่าฟุ่มเฟือยเอาเงินไปทิ้งเปล่า เพราะเวลาเงินขาดมือเสื้อผ้าเหล่านี้มันขายไม่ได้ขายหน้นก็ไม่กี่ตังค์ซู้เก็บเงินไว้ดีกว่าใช้เสื้อผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยจนกว่ามันจะขาดจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้ค่อยไปซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องมีมากเกินไปมีพอใช้เท่าที่จำเป็น ถ้าเราจะมีเงินเก็บสำรองไว้แล้วเรื่องความสุขต่างๆที่เกิดจากการใช้เงินก็อย่าไปใช้ความสุขทางต า, งตางหูจมูกมิ้นกายพวกมหอลสบบันเทิงการท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้จะใช้เงินมากจะทำให้เราไม่พอใช้ นัินไม่ขอใช้ได้อย่าไปหาความสุขแบบนี้มาหาความสุขแบบไม่ต้องใช้เงินดีกว่านั่งมาฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบรักษาศีลอันนี้จะมีความสุขมากกว่าที่เราจะได้จากการไปเที่ยว ไปใช้เงินใช้ทองเพราะว่ า, วาใช้แล้วมันก็หมดแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่พอใช้แต่ความอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอะไรต่างๆยังไม่หมดไปกับเงินมันก็จะทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วรู้สึกว้าวเวอึอดอัด เศ้าส้อยหงอยเหงาแต่ถ้าเร า, าหาความสุขแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้หาได้ก็จะไม่เดือดร้อนนั่งสมาธิได้นั่งฟังเทศฟังธรรมได้สมัยนี้ไม่ต้องมาวัดแล้วมีถ่ายทอดสดทุกวันเียหรือมีที่ เทที่บันทึกเก็บเอาไว้ในรูปแบบต่างๆสามารถอ่านได้สามารถฟังได้ตลอดเวลาหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเป็นความสุขที่สะอาดเป็นความสุขที่ไม่มีโทษส่วนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนความสุขที่ได้จากยาเสพติดพอเสพแล้วก็จะติดขาดไม่ได้ เวลาขาดก็จะทรมานใจถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสอนได้เราจะเก็บเงินเก็บทองได้แล้วเราก็จะไม่ต้องทำงานมากก็ได้เราจะได้มีเวลามาหาความสุขแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหากัน มาอยู่วัดกันมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมทำใจให้ฉลาดให้รู้จักวิธีสร้างความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองถ้าเรามีความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินทองเราก็สบายไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องรายได้รายจ่าย นี่คือวิธีที่เรียกว่าบุญนี่พูดเรื่อง ก, การพูดเรื่องเหล่านี้เป็นบุญทั้งนั้นเพราะว่าจะทำให้ใจเราเย็นทาให้ใจเราสบายเรื่องของบาปเรื่องเรื่องของการทำตามความโลภความอยากทำตามความโกรธความหลง มันเป็นการสร้างความร้อนให้แก่ใจโลภแล้วก็ร้อนอยากแล้วก็ร้อนโกรธแล้วก็ร้อนทำบากก็ร้อนอย่าไปทำมันต้องมาทำแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำอ่าหนังสือธรรมะศึกษาไปเรื่อยๆ แล้วก็จะได้รู้วิธีทำใจให้เย็นทำใจให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเงินทองนี้ใช้สำหรับร่างกายร่างกายนี้หนีไม่พ้นเรื่องเงินทองต้องหาเงินทองมาซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยแต่มันก็ไม่ได้ ต้องซื้อแบบมากมายกายกองว่านี้ก็มีหลายราคาตั้งแต่เดือนละพันเป็นเดือนละแสนเดือนละล้านแล้วแต่เราอยากจะอยู่แบบไหนถ้าอยู่แบบถูกก็ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องใช้เงินมากถ้าอยู่แบบแพงมันก็ต้องใช้เงินมากต้องหาเงินมาก ยิ่ต้องหามากก็ต้องเหนื่อยมากหาน้อยก็ไม่ไม่น้องเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยเอ็นพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าให้ใช้ของถูกถูกถ้าว่าถู ก, ถ, กถูกก็มากน้อยโดตาสันโดษก็คือตามตามมีตามเกิดอย่ากไปโลภอยากได้ บ้านแบบนั้นบ้านแบบนี้มันก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันเวลานอนหลับไม่รู้หรอกว่านอนในบ้านราคาเท่าไหร่นอนใต้ต้นไม้มันก็หลับเหมือนกันบางทีนอนใต้ต้นไม้หลั บ, ลบง่ายกว่านอนบ้านราคาแพงๆเพราะว่าบางทีนอนไม่หลับนอนบ้านราคาแพงๆเ พ, พราะกังวลกับ เรื่องจ่ายค่าเช่าไม่จ่ายค่าผอ่อนเดือวนี้จะไปหาเงินมาผ่อนค่าบ้านตรงไหนดีก็จะนอนไม่หลับนะแต่ถ้านอนตามโคนไม้นี่ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าผ่อนบ้านหลับหัวถึงนอนก็หลับเล ย, ยถ้าเราอยากจะมีความสุขต้องรู้จักใช้เงิน อย่าใช่มากการใช้เงินมากนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นโทษกับจิตใจไม่ได้เป็นความสุขอาจจะเป็นความสุขทางร่างกายแต่มันก็ไม่ได้สุขมากไปกว่าคนที่นอนอยู่ใต้โคนไม้กับคนที่อยู่บ้านหลังละราคาละหลายๆลาล้านร่างกายก็มีที่หลับนอนเหมือนกันแล้ว ดีขนาดไหนเหลียงเวลามันก็ตายเหมือนกันนอนใต้โคนไม้ก็ตายนอนในบ้านราคาหลายล้านก็ตายเหมือนกันนี่คือวิธีหาความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องหาแบบสบายสบายแต่าหาแบบวุ่นวายเครียดกับการหาเงินเครียดกับการใช้เงิน เลยไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนกันเพราเป็นมองของว่าเป็นความสุขมองว่าบ้านต้องราคาหลายล้านถึงจะมีความสุขเสื้อผ้าต้องมีราคาแพงๆถึงจะมีความสุขอาหารต้องราคาแพงๆอาหารมันก็มาจากที่เดียวกันอาหารก็มาจากตลาดเดียวกันเนี่ย แม่ค้าขายส้มตำขายข้างถนนก็ไปซื้อที่ตลาดนะโรงแรมก็ไปขายที่โรงแรมก็ไปซื้อที่ตลาดเหมือนกันแต่พอไปขายแต่ละที่ราค า, ามันต่างกันเป็นฟ้ากับดินส้มตัำแม่ค้าข้างถนนก็ไม่กี่บาทพอไปกินในโรงแรมกลับเป็นราคาไม่รู้กี่ร้อยบาทขึ้นมากินแล้วมันต่างกันตรงไหนมันอิ่มอิ่มคนละชนิดนะ อิแบบแพงกับอิ่แบบถูกนี้มันอิ่เหมือนกันหรือเปล่าใช่มนั้นอย่าหลงกับความสุขทางร่างกายมันเท่ากันใส่เสื้อผ้าชุดละแสนกับใส่ชุดผ้าชุดละร้อยมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันปกปิดรักษาร่างกายได้เหมือนกันรักษาโรงพยาบาล สาบาททุกโรคหรือรับรักษาโรงพยาบาลสามแสนทุกโรคมันก็หายก็หายเหมือนกันตายก็ตายเหมือนกันโรงพยาบาลราคาสามแสนก็ตายเหมือนกันราคาสามสิบมันก็ตายเหมือนกันถ้ามันจะตายมันว่ามันไม่ได้อยู่ที่โงรงพยาบาลมันถึงเวลาจะตายอานี่เลย เรื่องของบุญเรื่องของบาปหรือเรื่องของสุขเรื่องเรื่องของทุกข์อยู่ที่การรู้จักประมาณในการเลี้ยงชีพของเราทุกคนสามารถมีความสุขได้ในการเลี้ยงชีพของตนถ้าเลี้ยงโดยประมาณเลี้ยงตามกําลังของตนขอทานก็มีความสุขได้ม า, าเสถียรก็มี ได้ถ้าทุกคนรู้จักประมาณรู้จักหาหาแล้วไม่เครียดถ้าหาแล้วเครียดก็แสดงว่าไม่รู้จักประมาณหาเกินกําลังเป็นเศรษฐีก็เครียดได้เป็นขอทานก็เครียดได้ถ้าไม่รู้จักประมาณถ้ารู้จักประมาณแล้วจะไม่เครียดจะหาไปตาม กำลังหาไปตามมีตามเกิดแล้วจะไม่เครียดอาจจะหิวบ้างอดบ้างทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้มันไม่ใหญ่โตเหมือนกับความทุกข์ทางใจถ้าใจไม่เครียดแล้วใจจะไม่ทุกข์ยอมอดมื้อกินมืออย่างนี้แต่ใจก็ไม่เครียด ดีกว่าคนที่ไม่ยอมอดมือ้อกินมือ้อแต่ต้องเครียดกับการไปหาเงินหาของมาอยู่มากินอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมะเรื่องของการเลี้ยงชีพให้มีความสุขทุกคนนี้สามารถมีความสุขในการเลี้ยงชีพของตนได้ ถ้ารู้จักกำลังของตนรู้จักความจำเป็นว่าจะต้องมีอะไรบ้างสิ่งไหนไม่มีความจำเป็นก็ตัดมันไปสิ่งไหนที่จำเป็นก็มีมันแล้วก็สิ่งที่จำเป็นมันก็มีหลายราคาราคาแพงก็มีราคาถูกก็มีแต่ไม่ว่าแพงหรือถูกมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันอย่างที่บอก ส้มตําข้างถนนกับส้มตําในโรงแรมนี่มันก็ส้มตําเหมือนกันแต่ทาไมราคามันไม่เหมือนกันทําไมส้มตำในโรงแรมราคาเป็นร้อยส้มตําข้างถนนราคาเป็นสิบมันก็ส้มตําเหมือนกันกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเราต้องฉลาดเราจะถูก ความหลงหลอกว่าเราต้องกินแบบโกโก้หรูๆอย่างนั้นแหละมันหลอกให้เราเป็นต้องไปดิ้นหาเงินหาทองต้องไปเครียดกับการหาเงินหาทองสมัยก่อนนี่คนก็ไม่ได้ยอมใส่กางเกงขาดกั น, นเขาถือว่าอับอายขายหน้าแต่ตอนหลังเจอพวกคนยากจนเขาใส่ขาดกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมานต้องซื้อกางเกงขาดมาใส่กันแล้ว ทำไมที่เราใส่เราปะอังเกงเนี่เราปะก้นปะขาปะเข่ า, ขามีแต่คนดา่าคนว่าทําไมใส่อังเกงอย่างนี้ก็เราพอใจของเราอย่างนี้เสียเงินค่าปะไม่กี่ตังค์ดีกว่าไปซื้อของใหม่ตัวนึงหลายสตางค์แล้วเวลาซื้อกางเกงใหม่ก็ไม่ไปซื้อที่ร้านะไปซื้อที่เขาโยนทิ้งแล้วที่เขาขายที่มีตําหนิ แทนที่จะซื้อราคา1้0นหนึ่งหรือแค่สิบบาทสําเก่งที่มีตาหนิเสื้อผ้าที่มีตําหนิที่เข า, เาไปขายตามร้านไม่ได้เขาก็ไปขายตามร้านที่ขายของถูกของใช้แล้วเนียไปซื้อของพวกนี้มันก็เหมือนกันแหละเนี่ยผ้าพระพระุทธเจ้าสอนให้พระใช้ผ้าที่ใช้แล้วไม่ให้ให้ใช้ผ้าใหม่ ทีมันนึกคิ ด, ดูนิสัยนี้ของเราคงจะติดตัวมตาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วชาติก่อนเคยใช้ผ้าบางสกุลมันก็เลยไม่ค่อยชอบใช้ของใหม่เสียดายเงินซื้อของเก่ามาใช้สบายกว่าไม่ต้องคอยกังวลกลัวมันขาดกลัวมันอะไรของมันขาดอยู่แล้วมันมีตําหนิอยู่แล้วใช้สบายใจกว่าใช้ซื้อของใหม่นี้พอมันมีพอมันเสียหน่อยมีตําหนิหน่อยนะี่โอ้โหปวดราวไปถึงหัวใจ ซื้อของเก่าเนี่ยมันมีตำหนิแล้วเฉยๆมันยังมีตำหนิเพิ่อมอีกก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรมันก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันเราชอบใช้ซื้อของเกา่กาๆใช้กางเกงเก่ากางเกงมีตำหนิเสื้อผ้ามีตำหนิราคามันถูกแล้วมันไม่ต้องดิน้นหลนหาเงินหาทองใช้ตามตามกำลังตามที่เรามีอยู่ เลยไม่ต้องคอยไม่ต้องไปคอยขอยืมเงินคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินการกู้หนี้ยืมสินนี้มันก็เสียสองต่อเสียต้นแล้วต้องเสียดอกเองนะงั้นอย่าไปกู้หนี้ยืมสินยอมใช้ของเก่าไปดีกว่ายอมอดมากอดเมื่อกินเมื่แล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็ มีค่อยค่อยค่อยกินตามปกติไปข้อสำคัญอยากขี้เกียจก็แล้วกันต้องมีความพยายามต้องอดทนต้องต่อสู้ต่อสู้กับดิเดของเรา น, นี่แหละดิเดที่ชอบของแพงๆของหรูหราแต่ตัวเองไม่มีเงินที่จะซื้อก็อาจจะไปทำอาชีพ ที่ไม่สุจริตเพราะาทาอาชีพไม่สุจริตนี่มันหาเงินง่ายอย่างเนี่ยผู้หญิงที่ไปหาเงินแถวพัทยาเนี่ยกับผู้หญิงที่ไปรับใช้คนที่บ้านเนี่ยคนที่ไปทำงานรับใช้ที่บ้านก็นละเงินเดือนก็ไม่กี่ตางค์ถ้าไปหาแถวพัทยานี่มันก็ได้หลายสิบเท่าคนที่อยากจะได้เงินเยอะ เงินง่ายๆเงิ น, น, น, น, นเร็วๆก็ยอมทำผิดศีลเนี่ยคนที่เขามีความอดทนก็มีความขยันเขาไม่ยอมที่จะไปทำผิดศินเขาก็ยอมไปทำงานรับใช้รับจ้างเงินเดือนวันละสามร้อยาไปทำแถวพัทยาวันละสามพันนี่สามพัน คนมันต่างกันทางจิตใจต่างกันจิตใจของคนที่รักษาศีลได้นี่เขาไม่ไปอาบายคนที่รักษาศีลไม่ได้นี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นอาบายเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสุนัขเดือนเก้าเหนกันดังนัต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายอย่าให้มันเกินกําลังแล้วเดี๋ย ว, ยวมันจะทําให้เราต้องไปตั เลือกระหว่างการรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลดีถ้าเราไม่ใช้มากเกินกําลังเราก็จะไม่ต้องไปตกอยู่ในที่ตรงนั้นที่จะต้องมาเลือกว่าเราจะรักษาศีลหรือรักษาร่างกายดีหากอยู่แบบนักน้อยสันโดดแล้วมันพอมันชินแล้วมันจะไม่เดือดร้อนขาดบ้างเกินบ้าง ผิวบ้างอดบ้างแต่ใจจะไม่เดือดร้อนแล้วความอดความอดยาขาดแคนทางร่างกายนี้มันไม่ร้ายแรงเหมือนกับความเครียดทางใจนะอานนี้ก็บอกวิธีให้มีชีวิตที่มีความสุขนะว่าเราไม่ต้องมีมากหรอกมีความสุขได้แล้ว ดูพระพระพุทธเจ้าให้พระมีสมบัติแค่แปดชิ้นเท่านั้นเองม่ดกลับมีความสุขมากกว่าโยมที่มีสมบัติแปดร้อยชิ้นเลยพระมีแค่แปดชิ้นบาทหนึ่งชิ้นผ้าสามชิ้นเป็นสี่เข็มขัดรัดเอวเป็นห้าใบมีโกนเป็นหกเข็มกลับได้เป็นเจ็ด ที่ก่องน้นเป็นแดเรียกว่าอัฐบริขารมีแปดชิ้นนี้พอแล้วสำหรับเรื่องของร่างกายอยู่ได้แล้วไม่ตายอยู่อยู่ยาวกับคนที่มีส ม, สมบัติแ0ดร้อยชิ้นสิยมีผู้ในข่าวว่าผู้เจ้าของกิจการบันเทิงพัทยาธิปฟนี่ก็ตายไปแล้วนี้ อายุก็ไม่เท่าไหร่หกสิบกว่าตายเพราะความเครียดกันส่วนใหญ่เครียดหาเงินเครียดกับการบริหารจัดการธุรกิจของตนแล้วก็ทำธุรกิจแบบวิชาชีพทำกับเรื่องอบายามุขสุรายาเมา่าอะไรต่างๆ เพื่อที่จะหาเงินมาจะได้มีหน้ามีตาว่ามีเงินมีทองไม่ไม่น้อยหน้าชาวบ้านเขาเขาสังคมได้แต่โทษของมันนี่มันเป็นยังไงสู้อยู่แบบไม่มีหน้ามีตาดีกว่าอยู่แบบไม่มีใครรู้จักเราสบายไปไหนมาไหนก็ไม่ต้อง ทอยทักทายคนนั้นทักทายคนนี้สรุปก็คือพยายามอยู่แบบน้นอยสันดุอยู่แบบรู้จักประมาณรู้ว่าควรจะต้องมีเท่าไหร่แล้วก็อยู่ตามกำลังของเรา เราก็อยากจะหาความสุขที่แท้จริงก็มารักษาศีลมานั่งสมาธิกันดีกว่ามาอยู่วัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องเสียเงินไปเที่ยวกันเมื่อไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องหาเงินหาเงินก็เครียดเหนื่อย อยู่เฉยๆสบายกว่าต่อไปก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าได้อยู่แบบไม่สมบัติแค่แปนชิ้นได้เนี่ยแะความสุขที่แท้จริงต้องดูแบบวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินเนี่ยแหละเป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีของพวกเรานี่เป็นวิธีหาความทุกข์กัน ทุกตั้งแต่หาทุกแล้วพอหามาได้แล้วก็ทุกกับการดูแลรักษาแล้วก็มาทุกกับการสูญเสียทุกอยู่ตลอดเวลาพอซื้อรถมาแล้วก็ต้องกังวลกับเรื่องผ่อนนะเรื่องค่าประกันเรื่องค่าซ่อมแซมบุญละนะค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆและเวลาไม่มีเงินผ่อนเขาก็ถูกเขายึดไป ก็ทุกข์เถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้อรถก็อย่าไปซื้อมานลยถ้าซื้อรถมันต้องทําให้เรามีรายได้มากขึ้นไม่ใช่มีน้อยลงอถ้าจําเป็นต้องซื้อรถเพื่อมาทำมาหากินทําให้เรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายจ่ายค่ารถไปเท่านี้แต่พอมีรถแล้วเราสามารถหา รายได้มากกว่าข้าวที่เราจ่ายให้กับรถนี้ก็ยังพอจะคุ้มบ้างเราใชซื้อมาแล้วรายจ่ายกับมากขึ้นรายได้เท่าเดิมหรือน้อยลงไปอย่างนี้มันก็ขาดทุนอย่างนี้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีเดินทางของเรานะต้องใช้รถสาธารณะนะใช้เดินบ้าง ก, ก็ได้ขี่จักรยานบ้าง ก, ก็ได้ยุคนี้ขี่จักรยานเริ่มฮิตแล้วนี่ ขี่จักรยานแทนก็ได้ชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นคนสร้างมันเองสร้างให้มันทุกข์ก็ได้สร้างให้มันสุ ข, ขก็ได้อยู่อย่างสบายก็ได้อยู่แบบวุ่นวายก็ได้อยู่ที่ว่าเราอยากได้มากหรืออยากได้น้อยนี่แหละถ้าอยากมากมันก็จะวุ่นวายมากถ้าอยากน้อยมันก็วุ่นวายน้อย ถ้าไม่อยากเลยก็ไม่วุ่นวายเลยเนี่ยตัวที่จะวัดความสุขความทุกของเราไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยแต่อยู่ที่อยากมากหรืออยากน้อยหรือไม่อยากเลยถ้าไม่อยากเลยก็มาบวชได้สบายไม่ไม่อยากได้อะไรนะไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้แฟนไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวสบาย อย่างนี้สบายไม่มีเรื่องราวไม่มีความวุ่นวายใจถ้าอยากมากก็ต้องดิ้นบนมากต้องหามากต้องเหนื่อยมากแล้วต้องทุกมากพอเวลาได้มามากๆถึงเวลาจะต้องจากของไปก็เสียใจโอยหามาถ้าเป็นแทบตายเดี๋ยวต้องทิ้งมันไปเสียแล้วตายเป็นของคนอื่นไปค่ะแล้วไปก็ไปแบบวุ่นวาย อยู่ก็วุ่นวายไปก็วุ่นวายไปเกิดก็ไปเกิดที่ไม่ดีถ้าวุ่นวายถ้าไปแบบสงบไปแบบสบายก็ไปเกิดที่ดีดังนั้นก็ขอให้พวกเรารู้จักหารู้จักใช้รู้จกัจกกําลังของเราว่าเราหามากหาน้อยเท่าไหร่และรู้จัก วิธีหาที่ถูกต้องอย่าไปหาโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยการทำผิดศีลผิดกฎหมายเพราะมันจะทำให้วุ่นวายมากขึ้นไม่ใช่สุขมากขึ้นต้องขยันต้องอดทนอดกลั้นเวลาอยากได้อะไรก็บอกตอนนี้ยังไม่มีรอไปก่อนไม่มีแล้วค่อยเอา ไม่ตายไม่มีมันเราก็ไม่ตายอยู่ได้ถ้าจะตายก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมก็ได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันได้มามากได้มาน้อยเดี๋ยวถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันการคิดอย่างนี้แล้วใจจะสบายใจจะอยู่กับความทุกข์ยากลำบากความขาดแคนได้อย่างไม่เดือดร้อนใจถ้าจะไปอย่างสบายอยู่ก็สบาย ใจสบายร่างกายอาจจะไม่สบายแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็ต้องไม่สบายกันทั้งนั้นต่อให้เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สบายเหมือนกันเรื่องของร่างกายมันต้องมีความไม่สบายเป็นธรรมดาแต่ถ้าใจเราสบายเราจะไม่เดือดร้อนกับความไม่สบายของร่างกายกับความทุกข์ของร่างกาย ที่เราไม่เดือนร้อนเพราะเราไม่ดิ้นรนกันเราไม่เราไม่ฟุ่งเฟยเราไม่ทะเยอทะยานกันเราพอเรามากน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเรามีขันติความอดทนเรามีความอดกลั้นรับรองว่าอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบขอทานนี่มิสุขกว่าอยู่แบบเศรษฐีนะ พระพุทธเจ้าเคยเป็นเศรษฐีมาแล้วแต่ท่านกลับเลือกมาอยู่แบบขอทานใช่ไหมอยู่แบบขอทานนี่แหละอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างเศรษฐีนี่อยู่แบบเครียดเครียดกับการหาเงินมาใช้ั้นเชื่อพระพุทธเจ้าหัดอยู่แบบขอทานดีกว่าอยู่แบบคนยากจนเสื้อผ้าเก่าก็า ป, ะปะมันก็ได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ สมยัยยุคนี้เขาไม่มีใครว่ากันแล้วเรื่องปะเสื้อผ้ากลายเป็นของฮิตละแต่ยังต้องใช้เพชรนินจินดานก็ซื้อของปลอมมาใส่ก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกสมัยนี้ของจริงของปลอมมันดูไม่ออ ก, อกนาราคานาฬิกาจริงนาฬิกาปลอมมันก็ไม่มีใครดูออก ถ้ายัางต้องเข้าสังคมก็อของปลอมใส่ไปก็ได้เดี๋ยนุ่งยทุกอย่างมันปลอมหมดนะใจของปลอมมันม น, นั่งน่ะคนเราไม่ได้วิเศษอยู่กับของเหล่านี้หรอกใช่ไหมจากของจริงของปลอมมันก็ไม่ได้ทำให้คนวิเศษเหรอกคนเราวิเศษที่เนี่ยที่ใจใจดีหรือใจไม่ดีใจร้ายหรือใจ เอใจไม่ร้ายคนใจร้ายนี่ต่อให้มีของดีของวิเศษยังไงก็มันก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่นั่นแหละแต่คนใจดีถึงแม้จะไม่มีของวิเศษก็เป็นคนคนดีจะดีได้ก็ต้องมีความอดทนมีความออดอ่อน มีความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยอยู่แบบตามมีตามเกิดได้เพราะจะได้ไม่ต้องไปทำบาปนั่นเองไม่ต้องไปโกงธรรมากินก็โกงกันหรือเอารัดเอาเปรียบกันนั่นก็สรุปอยู่ที่การมีความ ประหยัดมีความมาักน้อยสันโดษมีความรู้จักประมาณในการกินการอยู่รู้จักกำลังของเราและรู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงวิธีหาความสุขที่แท้จริงก็หาความสงบของใจ ด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมทํทําทาเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วใจจะมีความสุขไม่ต้องไปเครียดกับการหาเงินหาความสุขเพราะว่าได้ทั้งความสุขไ ด, ได้ทั้งความเครียดด้วยเพราะว่าบวกลบคูณหาแล้วความเครียดมากกว่าความสุขที่ได้ขาดทุน ตัหาความสุขแบบไม่มีความเครียดดีกว่า <c oughs> นั่งสมาธิไม่เสียเงินรักษาศีลไม่เสียเงินอยู่บ้านก็ทำได้ฟังเทศฟังธรรมก็ทำไดู้่ที่บ้านขอให้มีห้องของเรามีที่สงบไม่มีใครมารบกวนเราเราก็นั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไปทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุข นี่ก็คือเรื่องธรรมะที่งัดออกมาให้ญาติโยมฟังกันถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ถามต่อได้นีกใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะให้พรอันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่นะ ตอนนี้เหลือสามร้อยย่ะอบค่ะ u ูทูบก็ประมาณห้าสิบห้าได้ครับอาจารย์อยู่ตัวแล้วนะสามร้อยกว่าห้าสิบกว่าวเราเลอกเลเรดิโอนี่มีมียอดดูบอกไมมมีมีครับอาจารย์แต่ช่วงแรกช่วงแรก่ช่วงแรกมันเบานะไมมันไม่ได้ ม, มียอดครับวันนี้ประมาณ ไม่กี่ท่านครับเจ็ดหนเจ็ดท่านน้องนแต่สิบกว่าท่านคอืบถ้าแอปพลิเคชันเสร็จน่าจะเยอะกว่านี้ครับาฟังง่ายเปิดปุ๊บฟังได้เลยก็มีสามทางนะเดี๋ยวนี้ติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook ตาม u t u b e แล้วก็ทางเลิฟดัมมะ c o m เป็นเสียงธรรมเสียงวิทยุเดี๋ยวนี้ก็ไปได้ทั่วโลก อันนี้คนอยู่ต่างประเทศก็ติดตามอยู่บางคนบอกตอนนี้อยู่ที่อังกฤษแปดมงเช้ากำลังฟังอยู่8ปดโมงเช้าสวัสดีอังกฤษสวัสดีตอนเช้า Good morning <c oughs> ต้องให้เขาส่งข้อความประเภทว่า <c oughs> ความคืบหน้าในการปฏิบัติความก้าวหน้าในการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างก็จะดีนะเพราะก็มีแต่สาธุสาธุไปแลเวลาสาธุก็บอกมาจากที่ไหนฟังอยู่ที่ไหนภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างทีมงานจะได้รู้ผลแต่บางทีมันอยู่ที่ปลายทางนะบางทีต้นทางดีแต่ปลายทางไม่ดีเพราะบางคนก็บอกว่าชัดดีบางคนก็ว่าไม่ชัดเลยนี่มันก็ต้องเป็นเพราะที่ปลายทางมัน มันมีมันมีผลไม่เหมือนกันต่างกันสัญญาณปลายทางอาจจะอาจจะมีบ้างมีน้อยเพราะบางช่วงคนอาจจะใช้มากคนอาจจะใช้น้อยมันก็แย่งสัญญาณกันได้แต่ถ้าใครที่ส่งข้อความสาธุสาธุเข้ามาก็บอกสาธุจากโคราช ส, สาธุจาก <laughs> อาบดีเสียงดีจ้าอะไรหรือไม่ดี ทีมงานจะได้อ่านแล้วจะได้ออได้ข้อมูลมามีใครอยากจะถามอะไรไหมว่าไงคุณศรีสุราฮะยอมกำลังทำสมาธิต่อไปก็สงบดีก็บทางนี้ วางแผนไว้มาตั้งแต่ที่ที่แล้วนะถ้าเซอวิสี่ว่าทำมาวันละสามครั้งะสามครั้งังหนึ่งประมาณมากสุดไม่ต่ำสองชั่วโมง m o e less แล้วก็จะได้ตั้งหชั่วโมงประมาณใช่ไหมแล้วก็พยายามจะไม่ต่อไปที่เด<อ>ียวเพื่อนคุณ พยายจะลากตัวไปกรุงเทพไปคิดว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เขามีประชมุมใหญ่ซีอ08เขาบอกว่าไปได้แ้วถ้าเผืไปนะฮะเราต้องเสีย3วัน3โอ้โห3 8ชั่วโมงอะที่เยอะนะเมื่อเราก็ต้องทากันบ้านไปเยอะๆต้องบมญไปเยอะ ก็ทำได้ดีแล้วค่ะมันก็พอสงบก็พยายามเอาเวลามาทำความสงบให้มากขึ้นไปเรื่อยตัดกิจกรรมที่ทำให้วุ่นใจวุ่นวายเสียเวลาพยายามตัดปัญหาหมดนะแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเอาเวลามาทำใจให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าต่อไปเราจะมีความชำนาญ เราไม่จะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้ร่างกายในการหาความสุขต่อไปร่างกายแก่ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน ม, มีที่ยเนมีมี ม, มีมีการหาความสุขในช่องทางใหม่ช่องทางที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้เพื่อนฝูงตอนนี้คนส่วนใหญ่นี่ อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยเงินทองอาศัยร่างกายเป็นช่องทางในการหาความสุขกันอต่ของพวกนี้มันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรมันจะต้องมีวันหมดไปเราจะต้องเปลี่ยนช่องทางหาความสุขใหม่กันเพื่อนเราหมดไปอ่หมดไปแต่ใจไม่หมดใจเรายังหาความสุขได้โดยไม่ต้องยามีเพื่อน อยู่คนเดียวได้สบายมากไม่อยาให้ใครมารบกวนออวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุเจ้าก็อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าตัดสัลุแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวอีกกลับไปดึงครอบครัวมาให้มาอยู่คนเดียวกันเดืองลูกมาบวชแม่ก็มาขอบวชตามแม่เลี้ยงก็ขอบวชตามเพราะมันเป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องที่เป็นความสุขที่แท้จริง พยายามจะฝกนดคะฝึกแล้วมันความคิดมันก็จะฟูเนี่ยค่ะกต้องหยุดความคิดก่อนมานั่งนะต้องฝึกเย่าไปอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปล่อยให้ใช้พุโทโธเรยงเอาไว้เต่งขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธไปเอย่าคุยกับตัวเองคุยกับพุโทโธเลยว่าพุโทโธพุทโธไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะ อ่อนอ่อนกำลังลงมันก็จะไม่หมกิดเวลานั่งมันก็จะอยู่กับอารมณ์เดียวได้อยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมหายใจได้แล้วก็นั่งนั่งอยู่แล้วหลับลุกขึ้นมาเดินถ้าหลับก็ลุกขึ้นมาเดินหรือถ้าถ้ายังหลับอยู่ก็ต้องเปลยต้องกินข้าวให้น้อยอยากกินข้าวเย็นต้องถื้อเส้นสมันถึงจะเชื่อได้กิน <ๆ S 1> ให้น้อย ครั้งเคยสวนต์แล้วับไปกันหมสวดมนต์หับไปเลยใช่พอใจมันสบายมันไม่มีเรื่องให้คิดมันก็เลยหลับนั่งฝึกสติให้นมากไม่ใช่จัเฉพาะเวลานั่งต้องพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆทําอะไรก็พูดโธไปไม่ต้องใช้ความคิดก็พูดโธไปอาบน้ําก็พูดโธไปล้างหน้าแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พูดโธไป กินข้าวกับพุโทโธไปถ้ามีพุโทโธอยู่เรื่อยๆเวลานั่งสมาธิใจจะไม่ลอยใจยจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่ทำนั่งทีไรมันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะมันคิดเป็นนิสัยมันติดเป็นนิสัยมันหยุดคิดไม่ได้เราต้องหยุดคิดต้องใช้พุโทโธอยู่เลยคุณแมรี่มีอะไรจะถามก็มา คือออกคือคือทุกวันเนี่ยเราเราสิ่งแรกที่ตื่นขึ้นมาเราอะไรนะตั้งสติอะสรรเสริญนหรือกับกราบตอนนัิ่งพระคุณอ่าเขาเกณฑะคุณพะธรรมะสงค์นะคะแล้วก็ปีนามันพ่อแม่ครัาจรา์อะไรเนี่ยแต่เป็นรูทีน ถ้าจะภาวนาวันีะมากก็สองครั้ง Do you have to do it every single time or can I just do it once in the morning and once อ๋อคิดถึงได้ทั้งวันเลยคิดอยากจะคิดตอนไหนก็คิดได้บุญคุณของพ่อของแม่ของพ่อพ่อทำใช่คือตอนตอนจะภาวนาค่ะต้องไม่มันไม่เกี่ยวกันไงภาวนาก็ภาวนาเรื่องจะคิดถึงบุญคุณของคนคิดได้ตลอดเวลาเวลาตอนนี้ก็คิดได้อยากจะคิดถึงบุญคุณก็นั่งคิดไป ไม่ต้องมาตั้งท่าว่าต้องมีเวลานั่งสมาธิก่อนถึงจะคิดถึงบุญคุณเขาทีท่คิดเพื่อจะได้ไม่ลืมบุญคุณจะได้มีความ ก, กตัญญูกตเวทีเ<ะ>พราะบางทีไม่ได้คิดแล้วมันลืมไปยุ่งกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีความคิดว่าจะไม่ตอบแทนบุญคุณแต่พอมไม่คิดมันก็เลยลื ม, มก็เลยต้องคิดบ่อยๆจะไ ด, จะได้จะได้คอยตอบแทนบุญคุณเขา แล้วเห็นคนเขาบอกว่าห้ามเอาพระไว้ในห้องห้องนอนทำไมอ่ะคืสเสียงไม่รู้หมายเหค่ะขาถามทาไมเราไม่ถามคขาทำไมห้ามอ่ะห้ามภาเาอะไาบอกว่าเพราะว่าอะไรนะเรานอนผ้าอ๋อแล้วพระจะมองเห็นท่านอนเราไหมไมความจริงแตามไม่อ๋อความจริงถ้าจะเป็นพระให้มาจะปดิสถานพระก็ เช่นพระพุทธรูปนี่เขาก็จะมักจะมีที่ชัมเพอที่เป็นห้องพระหรืออะไรเป็นอย่างไีมีแต่เปิดไอ้ไม้ควนไอ้ไม้รวก็ในห้องนี้เ็ถือว่าเป็นห้องส่วนตัวมีทางกิจกรรมที่พระควรที่จะรู้นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อตัวพระพุทธรูปเขาไม่รู้หรอกเขาก็เป็นก็เาก็เป็นแค่วัตถุเขาจะไปรู้อะไรว่าเราทำอะไรอยู่ในห้องห แล้วคนที่ก็มีผ้าห้อยคอจะทำไง <c oughs> เอาอ ข, อขอ้ อ, อข้าห้องนอนก็ต้องถอดออกเอาข้าห้องนอนไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่เอเอแต่เขาอาจจะเห็นว่าให้พ้าไปนั่งขัดสมาแล้วดูแลนอนนี่มนันอาจจะไ ม, ม่เหมาะสมมีปัญหาเวลาสวดมน์แล้วนั่งสมาธิแล้วก็จะหลับ ไปพูดไปจากหนังสือจดบันนะค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะมีบางคนเล่าให้เขาฟังนะคผู้ที่เขาเหมือนปฏิบัติเขาจะบอกว่าบาปนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่บาปแบบไม่ได้บุญนัเองไม่ได้บุญคือเราก็จะกังวลว่าเฮ้ยเราทำแล้วผลอะไรชอบบไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปลรากทรัพย์ของใครไปบาปอะไรบาปมันมีอยู่สี่ข้อเท่านั้นเองทําแล้วไม่ได้บุญทําแล้วไม่ได้ผลเท่านั้นเอง กังวลอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเราไม่อยากจะหลับแต่บางส่วนไปมันก็จะหลับอเลยอ่นเยอะอนเยอะก็ไแล้วอย่างหนึ่งเรื่องธรรมะนี่มันไม่เล่าใจเหมือนดูหนังเลยเวลาดูหนังไม่หลับนอนไ่องใจเยออกจากห้องพักมาเปิดเปก็ไม่หลับก็มันเป็นเรื่องของกิเลสอาจารย์คะขอคันคือคือจำได้อาจารย์เขาบอกว่า อยู่อีนนถ้าถือสินแปดแล้วเนี <sh arp> it, ่ยม <Ha. S 1> ันจะผิดวินัยแล้ววินัยนี่มันต่างยังไงกับบาปคะคือบาปมันไม่ได้ไปทำร้ายใครไงการบาปนี่ต้องเป็นทำร้ายสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์เขาเรียกว่าบาปแต่การไม่ถือการถือสินอดนี่เป็นการกํากับใจเราควบคุมตัวเราไม่ให้ทำในสิ่งที่มัน ไม่เป็นประโยชน์กับเรามันขัดขวางการทาสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นถ้ากินแล้วมันจะทําให้ง่วงนอนขี้เกียจนั่งสมาธิคือคือไม่ให้กินหลังทว่อแต่บางทีมันต้องไปถึงหนึ่งมอะค่ะไม่เป็นไรหรอกก็ทำไม่ได้เวลามันก็นเื่นได้คือเป้าหมายก็คือให้กินน้อยๆ ถ้าแน่จริงก็กินมื้อเดียวหมดยังกินตอนเช้าเลยมันก็เหมือนกันเลยกินหอนเดียวกินไปนต่เพียงที่ก็ได้ละกินตอนเช้าก่อนไปทํางานก็กินไปเลยเสร็จแล้วก็ทํางานทั้งวันเวลาเที่ยงก็ดื่มน้ําผลไม้หรือดื่มอะไรไปเบาๆก็ได้ไม่ต้องกินก็ได้ดื่มเยอะๆมันก็อิ่มแน่นท้องเหมือนกันหล่ะไม่เชื่อลองลองดูสิ เราทั้งวันตอนนี้ไม่ได้กินอะไรก็มีแต่ดื่มน้ําวันละสองสามขวดเนี่ยดื่มไปเรื่อยๆมันก็ไม่หิวหรอกแต่ไม่ได้ดื่มก็ดับความหิวมันไม่หิวอยู่แล้วแต่ mm hmm. okay, ว่ามันดื่มเพราะร่างกายมันก็ต้องการน้ําำ แ, แ, แต่เวลาเวลาเลินใหม่นะฮะจอมแม่เวลาเริ่มใหมะะ่ๆถึงแต่ที่ mm hmm. ไม่ทานเลยะะก็มันต้องมันต้องแบบว่า องจิตทีด่ดนะีเพราะว่าเอาอรู้สึกใจมันจะหิวอะท้องมันไม่อยู่อะอย่างเดินผ่านตู้ที่เคยใส่ขนมมาไว้นะฮะคลุบกลับคุกลับเนี่ยอืมเปิดดีไว่เปิดตีต้องใจอยู่นานไ <c oughs> ม่อยู่ไ <c oughs> ม่อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโททธไปงงไม่ค่อยหวะคะ่ะแต่ก็ผ่านมาได้อะก็ต้องตั้งใจดีๆนะ ต้องแน่วแน่วนว่า<น>ไม่กินก็ไม่กินเด็ดขาดไปเลย <c oughs> อ้ามาพร้อมจะถอยหรือยัง <c oughs> พร้อมก็เข้ามาเซ <c oughs> ลฟี่ก่อนเซลฟี่ก่อนคือคือเรานั่งพอนามนมานาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เวลาเราไปนั่งจอน่ะนั่งเฉยเฉยเพราะว่า I really want to sit here and just meditate ใช่ไหมคะ I med med It's like when when when it's close ah, a d t u o u i t t n down a l o t e s h e n o u t down f a n t e h e n u r s t down a m when r i f a l n t e i s i r t for a long time, like w h s i t l i e it's like h e r e s t o f m um, e l e h o e s i t t a l t i e t s i k e h e y s t g o w a t i i t h n y o u i g a l t s i w h e e s n g o a l i s w n y i g d a t m e t i w i g d o a i i s n y i t g down a t m e i e w e e g o a l i like h n y s i g o a i w n g w a i m y o i n g w a m แล้วก็บางทีพุทโธก็ไม่ออกแล้วแล้วก็ยังหายใจเพราะมันไม่หายใจแต่ว่า like I'm g o go ง n นก o close right here so I don't know why I am on on on my meditation am I progressing am I am I คิดมากอะ่ะคิดมากก็ไม่โฟกัสแล้วเพราะ่า uh, ต้อง <don 't S 2> <say> ไม่คิดสยต้องอย่าคิ ด, ด, คดเลย เดี๋ยวนี้สงบมากนะคะแต่ว่า the feeling makes me feel like I'm gonna have a heart attack or something. ทำไมนะก็มันมันเหมือนกับตรงนี้มัน close <laughs> อ่ะมัน it's very heavy ก็ยังแสดงว่ามันยังไม่สงบนะยังไม่สงบถ้าสงบมันจะเบามันจะมันจะสุขมันจะสบายโอเคอ่าอมันเพราว่าอย่างว่าบอก in the morning and at night when I go sitting with Joe and I I feel like I just want to do this because of this feeling I tell Not falling asleep, like not shutting down either. But it's like a mind. I don't know. So. ก็ทําไปเรื่อยๆอย่าไปคิดให้ให้ให้มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปอย่าไปคิดมันจะเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปสนใจให้อยู่กับคำโริกรรมพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ดังนั้น ถ้ามันสงบแล้วมันจะโล่งมันจะเบามันจะสบายแล้วพอออกมาแลอาจารย์มันแบบสบายจริงๆ I don't w a n t to go anywhere I don't w a n t to see anybody <ม> uh, อันนี้มันก็ใจมันก็สงบแต่ I'm curious about this feeling I'm I progressing What's going on here uh, ถ้าความอยากไม่มีก็มันก็มันก็น ก, ก้าวหน้า uh. ถ้ายังมีความอยากไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปทำอะไรนะค <How S 2> รับคื do you, how do you refuse your friend? เดวิดคอลล์และฉัน้ารจขาคิายปเาบอกไม่ไปแล้วอย่างนี้ปัญหาลองอยู่าอยู่บ้านดีกว่าเ้ยเขาก็โกรธเราอ้าวโกรธเป็นเราไปทเราไม่ได้ไปทำให้เาโกรธ่หลายปีแล้วค่0ปีเดโอเคเดี๋ยวเขาก็จะมาชวนเราเองเราจะมาชิญดีค่ะเอาเาเข้าไลน์ด้วยเราปฏิเสธไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวเขาก็เลิกเอง เขาเพูดเขาว่าเราลแล้วไม่ใช่คนนี้อีกคนหนึ่ง <c ười> said I'm your extreme เขาพูดอย่างนี้เลย and I'm quite happy to hear it, I me mean, not progressing right มีอะไรไมั้ยไม่มีอาวไม่มีมาจากที่ไหนกันมันจะีแล้วเพิ่งมาครั้งแรกเหรอ อ้างที่สองนะ แ, แล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงเฟซบุ๊กน แ, แล้วติดตามอยู่บ้าที่บ้านได้ติดตามอยู่ติดตามถ่ายทอดสดอตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ ม, ม, มีอะไรอยากจะถามไหม ไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาส่งข้อความเข้ามาดีหรือยังอ่าเลยคําถามจากผู้ปากถามดิฉันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่ช่วยชี้ทางแต่หนทางมันคดเคี้ยวมีแยกซ้ายแยกขวามีทั้งราชชันเกินกว่าคนธรรมดาอย่างดิฉันจะไปให้ถึงแต่ถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลย ตามความเข้าใจของดิฉันอีกเช่นเคยดิฉันคิดว่าผู้ที่จะนำทางได้ดีที่สุดคือสติที่ท่านบอกว่าอยากตัวรู้ตัวตนที่แท้จริงก็ให้ปิดทีวีขอบพระคุณอีกครั้งที่เปียบเทียบได้อย่างดีและเข้าใจง่ายตามความเข้าใจของดิฉันอีกเช่นเคยปิดทีวีมันก็มีแต่ความว่างเปล่าเหมือนดวงจิตของเราที่ไม่มีตัวตนไม่มีลูกรถกลิ่นเสียง ตัวตนที่แท้จริงเป็นอมตะไม่ตายแม้แต่ร่างกายที่เราอาศัยอยู่เกิดได้ก็สลายได้เป็นไปตามธรรมชาติแต่หนทางอันยาวไกลนี้คนธรรมดาอย่างดิฉันจะเดินไปได้ถึงได้อย่างไรแม้แต่ผู้ชำนาญทางในการปฏิบัติยังน้อยนักที่จะเดินไปถึงแต่สำหรับดิฉันยังมีละครให้ดูอีกตั้งหลายตอนแต่ถึงอย่างไรดิฉันก็พยายามตัดบทละครให้สั้นลงเท่าที่จะทาได้ ตามความเข้าใจของดิฉันคราวนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะก็ถูกต้องทุกอย่างก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราเราต้องพยายามปฏิบัติไปพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะมีกําลังที่จะตัดสิ่งต่างๆไปได้ที่เรเล็กเทียบน้อยไม่ใช่ว่าเราจะตัดได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างในทันทีทันใดเพราะกาลังของเราตอนนี้มันยังมีไม่มากพอ แต่เราสร้างกำลังคือสติขึ้นมาให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะหนึ่งมันได้ผลจากการปฏิบัติคือได้ความสุขที่ดีกว่ามันก็เลยทำให้เราสามารถตัดความสุขที่เร็วกว่าได้ที่ยากกว่าคือความสุขจากทางตาหูจมูกนิ้ากายงมันอยากกว่าความสุขทางใจที่ละเอียดกว่าที่ดีกว่าแล้วเราต้องพยายามสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้น พอเรามีความสุขทางใจเราก็จะได้ตัดความสุขทางร่างกายไปได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขทางใจเราก็จะตัดไม่ได้เพราะเรายังต้องอาศัยความสุขเหล่านี้หล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่แต่เป็นความสุขที่เป็นโทษเป็นพิษเพราะว่ามันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาที่ไม่มีมันเวลานั้นจะเดือดร้อนมากดังนั้นขอให้เรา มีความพยายามมีความเพียรที่จะเจริญสติให้อยู่เรื่อยๆให้อย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยดึงใจให้มาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอยู่กับคําบริกรรมหรือยอยู่กับการทํางานของเราก็ได้เราทําอะไรอยู่ก็ให้เราจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําอย่าส่งใจไปที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆสงบได้งานมากขึ้นไปเรื่อยๆพอมีความสุขใจมากขึ้นก็จะปล่อยความสุขทางร่างกายไปได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเลิกหาความสุขทางร่างกายได้จะหาแต่ความสุขทางใจเพียงอย่างเดียวอย่าไปมองระยะทางที่มันไกลมองก้าวที่เราต้องก้าวเราเก้าวได้ทีละก้าวน อย่างที่มีคําพูดของคนดังคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นเหมาเจอตุงใชว่าระยะทางที่ยาวไกลเป็นพันกิโลก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกนี่แหละถ้าเราเริ่มก้าวนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ก้าวไปได้ก้าวที่หนึ่งมันก็ได้ก้าวที่สองสองมันก็ได้สมเดี๋ยวมันก็ได้พันได้หมื่นได้แสนไปเองขอให้เราก้าวแบบไม่หยุดไม่ย่อนสักวันหนึ่งมันก็จะ ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ขอให้เราเป็นแบบเต่าอย่าไปเป็นแบบกระต่ายกระต่ายนี่มักจะมีความเพียนที่ไม่สม่ำเสมอเป็นไปตามอารมณ์วันไหนอารมณ์อยากปฏิบัติโอ้ก็ปฏิบัติอย่างจริงจังจังพอวันไหนเบื่อก็ทิ้งเลยต้องเป็นแบบเต่าว่า ต้องทำอยู่เรื่อยๆทำทเทละเล็กเทีน้อยทำไปไม่หยุดไม่หย่อนเพิ่มไปตามกาลังอย่าไปเพิ่มด้วยตามอารมณ์บางทีอารมณ์ดีโอปฏิบัติแบบสุดๆเลยพออารมณ์ไม่มีปั๊บหายหมดเลยเอาแบบเต่าทำไปตามกําลังของเราทแต่ทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยขั้นต้นนี้เอาสติให้ได้ก่อนเอาพุทโธให้ได้ก่อนให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ เลยอยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นที่จะต้องคิดแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายแล้วมันจะได้ความสุขแล้วมันก็จะทำให้เราตัดความสุขทางร่างกายไปได้ทีละเล็กทีลน้อยทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดก็แล้วกันถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็จบเมื่อ น, นั้น พักได้ถ้าเหนื่อยบางทีท้อบ้างก็ไม่เป็นไรบอกว่าพักสักวันรักพักสักระยะสั้นๆพอหายท้อแล้วหายเบื่อแล้วก็เริ่มปฏิบัติต่อมันมีบ้างเป็นธรรมดาการปฏิบัติมีขึ้นมีลงมีท้อแท้บ้างมีกำลังใจบ้างเวลาท้อแท้ก็ให้ฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์บังแล้วก็จะได้กำลังใจได้ชาร์จกาลังใจจากการฟังธรรม พระพุทธเจ้าบอกให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือให้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระสงฆ์เนี่ยฟังแล้วก็จะมีกําลังจิตกําลังใจดูการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์เนี่ท่านไม่ได้มาแบบง่ายๆหรอกพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติสลบสลายถึงสามครั้งไม่ใช่ของง่ายๆอดข้าวตั้งสี่สิเก้าวัน เรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเราจะไปบอกว่าเราเราทำเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่ใช่ต้องพยายามทำต่อไปลุยไปเรื่อยๆล้มลุกคุกคานไปก่อนเริ่มต้นมันก็เหมือนเด็กหัดเดินนี่แะไม่ใช่พออยากจะเดินก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็เดินเลยก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มแล้วก็คานคานแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แต่ต่อไปเดี๋ยวก็เดินได้ พอเดินได้ก็วิ่งได้วิ่งได้จะทำอะไรก็ทำได้ต้องมีความพยายามที่จะสร้างาทรรขึ้นมาสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยอันนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จได้ได้หลุดพ้นได้ได้ความสุขที่ถาวรได้ อยู่ที่การทำความเพียรในธรรมเหล่านี้ด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ว่าท่านไม่หลอกเราหรอกสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์จริงๆให้เราไม่ต้องสงสัยทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสามตัวนี้แล้วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะเกิดตามมาต่อไปมีอะไรไนหะ คำถามจ้าคุณสติมานะครับหนูภาวนาจนจิตหมุนอยู่กลางหน้าอกเล็กบ้างใหญ่บ้างหากเพียนเดินจงกรมมากๆจะเห็นชนัดเจนอย่างนี้ควรพิจารณาอย่างไรต่อไปเช้าคะภาวนาผิดแล้วไม่ควรที่จะให้มันหมุนนะควรจะให้อยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายถ้าเดินก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรืออยู่กับพุทโธก็ได้ ถ้านั่งก็ให้อยู่กับลมหายใจก็ได้เดินอยู่กับพุโทโธก็ได้ต้องมีอะไรกำกับใจไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจมันแสดงอะไรต่างๆขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่เป็นการนั่งเพื่อทําใจให้สงบงั้นถ้านั่งแล้วมีอะไรอาการต่างๆของใจแสดงออกมานี่แสดงว่าไม่มีสติกำกับใจปล่อยให้ใจแผงฤทธ์ออกฤทธ์ ของนี่มันแสดงออกมาก็เป็นของปลอมใช่มหมไม่มีพุ่งไม่มีประโยชน์กับใจสิ่งเดียวที่มีคุณประโยชน์กับใจก็คือความสงบและมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติกํากับใจมีคุตโธกํากับใจหรือมีลมหายใจกากับใจมันถึงจะสงบได้ไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเนีย่ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่งสมาธิ คำถามจากคุณชุนะครับข้อที่หนึ่งมีปัญหาตอนนั่งสมาธิซึ่งช่วงนี้จะเป็นค่อนข้างบ่อยทําให้นั่งไม่ได้คือความอึดอัดมันเหมือนโดนบีบโดนรัดแน่นหายใจไม่ออกจนบางครั้งเหมือนอกจะระเบิดนั่งต่อไม่ได้มันสู้ไม่ไหวอยากแต่จะถอนออกจากสมาธิบางครั้งฝืนสู้แต่ละนาทีมันอึดอัดมากไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไร พยายามพุทโธพุทโธพุทโธแต่ก็สู้ได้ไม่นานมันฝืนไม่ไหวจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะเพื่อให้สวดมนนั่งสวดมนไปแทนแทนที่จะพุทโธก็สวดมนสวดมนบทยาวๆสวดไปกลับไปกลับมาก็ได้เอติปิโสอาลังสัมมาสวาก้าโตสุปฏิปันโนสวดไปเรื่อยๆการสวดมนี้มันไม่รู้สึกเลื่อนอ่ะเพราะว่าใจมี มีที่วิ่งได้กว้างไกลขึ้นมีความคิดที่คิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณถ้าให้อยู่กับพุทโธ ร, รู้สึกมันเหมือนอยู่ในที่แคบมันก็เลยรู้สึกอึดอัดก็ให้มันกว้างให้มีที่ที่เดินกว้างขึ้นให้มันเดินไปตามบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทพระสูตรธรรมจักรหรือวิปัสติปัฏฐานสี่ <c oughs> ก็ได้เราจําบทไหนได้เราสวดไป ส่วนในท่านั่งสมาธิเนี่ย น, นั่งหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงมันก็จะคลายความอึดอัดได้สวดไปจนรู้สึกว่าเบาสบายแล้วเราข้อยุดสวดแล้วก็มาดูลมหายใจต่อก็ได้เลือกพุทโธต่อก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมก็ได้แต่การฟังเทศมันก็ต้องอาศัยเครื่องฟัง ถ้าเกิดไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้ก็ใช้บทสวดมนต์ถ้าสวดมนต์นี่ไปอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ตลอดเวลาแต่ใช้การฟังเทศก็ต้องมีเครื่องโทรศัพท์มีอะไรติดตัวไปถ้าแบบหมดก็ฟังไม่ได้เน้นถ้าทางที่ดีถ้าไม่ต้องการพึ่งสิ่งภายนอกก็ซื้อพึ่งสิ่งภายในดีกว่าหัดท่องบทสวดมนต์ไว้หัดท่องพระสูตรไว้แล้วเวลานั่งสมาธิถ้ามันอึดอัดก็ท่องพระสูตรไปก่อน ทั้งบทสวดมนต์ไปก่อนจนกว่าใจรู้สึกเบาสบายอยากจะหยุดสวดก็ค่อยหยุดแล้วก็ทีนี้ก็ดูลมต่อได้หรือพุโทโธต่อได้ข้อที่2หากเรามีกระดาษ ห, หรือหนังสือที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้แล้วมันลบบ้านเช่นปฏิทินเก่าๆนิตยสารหนังสือพิมพ์ที่มีรูปของพระพุทธรูปหรือพระที่เรานับถือเราควรจะทาอย่างไรจะทิ้งก็ไม่กล้าทิ้ง กลัวเป็นบาปเป็นกรรมแต่จะเก็บก็รบบ้านมากรบ ก, กวนเรียนถามผ้าจานล่ะค่ะก็ส่งไปที่เรือนจำกลางชนบุรีตอนนี้กําลังต้องการหนังสือธรรมะมากมากเรือนจำกลางชนบรุรีใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เรือนจ ำ, จำกลางคนส่งไปเยอะดีครับช่วงนี้คำถามจะคุณพักพรนะครับชาตินี้ชอบปฏิบัติธรรมเป็นนิสัยติดมาจากชาติก่อนใช่หรือไม่คะ ถึงแม้คนรอบข้างจะว่าเราว่าแต่จิตเคยรวมได้เพียงครั้งเดียวทำให้เรามีตัวรู้ว่าปล่อยไม่ได้วางไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นก็ขอทวนกระแสปฏิบัติต่อไปถามอ่ากรดีนล้นี่ยครับคำถามจากคุณอ่าวราพรนะครับถ้าโยมไม่เดินจงกรมแต่นั่งสมาธิเลยจะได้ไหมคะ เมื่อนั่งสมาธิเสร็จค่อยมาเดินจงกรมจับได้ไหมคะได้เดินก็ได้นั่งก็ได้ไม่มีอะไรตายตัวที่ต้องเดินบ้างก็เพราะว่านั่งนานๆแล้วมันเมื่อยก็เลยต้องลุกมาเดินแต่ถ้าเราไม่เมื่อยเรานั่งได้นานเท่าไหร่ก็นั่งไปไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่เราจะถนัดในท่าไหนก็นั่งทําในท่านั้นได้คําถามจากคุณจาตุพงนะครับอยากบวชตอนบ้านตายชีวิตหลังจากเรื่อง พราะดูแลพ่อแม่เสร็จพ่อแม่ตายสามารถบวชได้ไหมครับจําเป็นต้องบวชตอนอายุ20่ไหมครับถ้าบวชตอน20มันก็ดีเพราะไม้อ่อนมันดัดง่ายถ้าไปบวชตอนแก่เนี่มันดัดยากแล้วก็จะปฏิบัติตอนอาจจะยากมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรอาจจะกลายเป็นภาร ะ, ะต่อาศาสนาอาจจะเป็นปัญหาให้กับาศาสนาได้ ก็คนที่บวชอายุมากนี่จะดือ้อยิ่งแก่ยิ่งดือ้ออะย่างเงี้ยสอนยากแต่ถ้าเราทำตัวให้เป็นเด็กได้บวชตอนไหนก็ได้อยู่ที่อยู่ที่เราต้องปรับตัวเองบางคนเคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไปบวชนี่แล้วต้องไปทำตัวเหมือนเด็กนี่เขาทำใจไม่ได้ก็เลยทำให้เป็นปัญหากันเพราะการบวชนี่ก็ถือว่าเป็นการเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ ไปเป็นอะไรมาทางโลกนี้เขาว่าให้เลืมไปให้หมดมาเริ่มต้นเป็นผ้าบวชใหม่เป็นผ้านวกะถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกคนสุดท้องลูกเพิ่งเกิดใหม่ก็ต้องทําตัวให้เป็นเด็กเป็นผู้น้อยถ้าทําได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคำถามจากคุณนุนะครับผู้หญิงไม่สามารถบวชได้เหมือนผู้ชายในชาติที่เป็นผู้หญิงถ้าปฏิบัติเต็มที่แล้วสามารถประลุทำได้สูงสุด ชั้นไหนคะถ้าจะได้ชั้นอรหันต์จำเป็นต้องเป็นชายและบวชในพุทธศาสนาหรือเปล่าค ะ, ะไม่ต้องครับขอให้มีมกัก8มีศีลสมาธิปัญญาจะเป็นชนชาติไหนอยู่ศาสนาใดาก็ตามถ้าเกิดเข้าไปพบศีลสมาธิปัญญาเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ปัญญาก็คืออริยสัจสี่อา น, นิจังทุกขังอนัตตาอสุภะนี่เรียกว่าปัญญา ไม่ต้องไม่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นศาสนาไหน mm hmm. ก็มีคนถามพระพุทธเจ้าตอนใกล้วันละที่พระ อ, องค์จะเสด็จดับขันธปกรณิพานก็มีชายคนหนึง่งอยากจะขอกาถามปัญหาพระพุทธเจ้าตอนต้นผ้านอนก็บอกว่าท่านจะตายแล้วท่านไม่ไหวแล้วแต่พระพุทธเจ้าได้ยินก็บอกปล่อยเขาเข้ามาอ่าเขาก็เลยได้ไกลไปราบว่าเขาก็ถามว่า จรู้ได้ยังไงว่าคําสอนของใครเพราะเดี๋ยนี้มันมีมากเหลือเกินมีหลายอาจารย์หลายลัทธิหลายาศาสนาจะไปรู้ว่าคําสอนไหนเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนนาก็ไของใครก็ได้ขอให้มีมรรคที่เป็นองค์แมรรคที่เป็นองค์8ก็คือศีนสมาธิ ป, ปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป ความเห็นชอบความคิดชอบอสัมมาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชโยก็เป็นเรื่องของศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นเรื่องของปัญญาไอ้ของสมาธินี่ถ้ามีมรรคที่เป็นองแปดนี้ก็สามารถที่จะบุดพ้นจากความทุกข์ได้ คำถามจากคุณหัตไทัยทิพย์นะครับโยมมีความสงสัยว่าถ้าเราออกจากสมาธิแล้วนอนนอนหลับแต่เกิดฝันเห็นตัวเองอืดเน่าน้ำเหลืองไหลพอได้เห็นแล้วว่าเป็นตัวโยมเองที่เป็นศพอยู่ก็ตกใจในกรณีนี้เกิดขึ้นเพราะการทำสมาธิแล้วนอนหลับใช่ไหมคะแล้วจริงๆเรามีสติในฝันได้ไหมคะ อมันไม่เกี่ยวกันแหละเวลานอนหลับมันจะฝันเรื่องไหนฝันอะไรมันก็ฝันได้ทั้งนั้นทีนี้เราจะไปฝันไว่าเราเห็นนอนนอนตายนี่ขึ้นอื่นก็ดีเพราะเป็นปัญญาเป็นไตลักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาบางคนนี่ต้องไปดูขาา้อผ่าศพต้องไปเยี่ยมปรชาชญ์ถึงจะเห็นซากศพอันนี้เราฝันเห็นเลยเราแสดงว่าเรามีบุญเก่า ในอดีตชาติเราคงเคยพิจารณาความตายเห็นความตายอยู่เรื่อยๆนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันก็ฝังอยู่ในใจของเราพอเวลานอนหลับมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเราควรที่จะเอาไปเจริญต่อเอาไปคิดต่อคิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงร่างกายของเราเองคิดถึงร่างกายของคนอื่นแล้วใจของเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้เพราะมันเห็นความจริงว่า นี่คือความจริงของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นในลําดับต่อไปถ้าเราไม่ไปปฏิเสธมันเรายอมรับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไปปฏิเสธไม่ยอมรับมันเราก็จะทุกข์เราก็รู้ว่าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องยับยั้งมันว่าเออนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนกับทุกร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันก็จะทำให้เราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายต่างๆทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นเวลาคนอื่นตายเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนอะไรเวลาเราตายเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ได้ตายไอ้ที่ตายเป็นร่างกายที่เราเห็นที่เราดูที่อยู่ที่เราอยู่กับมันนี้ เราอยู่กับร่างกายคนคิดกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันแต่เราไม่รู้เราจะมารู้ต่อเมื่อเราได้มาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวคิดตัวคิดไม่ใช่ตัวร่างกายตัวคิดกับตัวร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันร่างกายตายไปตัวคิดยังอยู่ตัวคิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายฉะนั้นตัวคิดไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกาย ที่ทุกข์เพราะคิดว่าตัวเองเป็นตัวตัวคิดเป็นตัวร่างกายคิดว่าตัวร่างกายตายไปตัวคิดจะตายไปด้วยก็เลยไม่อยากตายพอไม่อยากตายก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นนะพอรู้ว่าตัวคิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เลยเฉยๆกับความตายของร่างกายได้เมื่อตายก็ปล่อยมันตายไปมันต้องตายแน่นอนคำถามจากคุณชมพูนุษนะครับ เวลานั่งสมาธิจำเป็นไหมคะที่จะต้องมีฐานจิตจำเป็นต้องมีสตินั่งสมาธิต้องมีสติจะมีเป็นพุทธโธก็ได้จะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้มีต้องสี่สิบอย่างเ็าเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง จ, จะดูโครงกระดูกก็ได้เพ่งโครงกระดูกก็ได้จะนึกถึงความตายก็ได้ มีจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นึกถึงพระธรรมก็ได้นึกถึงพระสงฆ์ก็ได้ขอให้มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจ้าคุณทิพวันนะครับการกินของสดมีชีวิตอย่างหอยนางลมหรือซื้อหอยแมลงภู่มาทํากินเองถือว่าผิดศีล้อฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไหมครับถ้าของยังไม่ตายแล้วมาทําให้มันตายก็ผิด ถ้าของตายแล้วมาทําก็ไม่ผิดเพราะคนอื่นเขาฆ่าแล้วเราไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่เราอย่าไปสั่งเขาฆ่าเขาแล้วกันเช่นอย่าไปสั่งแม่ค้าว่าพรุ่งนี้เอากุ้งสิบกิโลนะอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขาซื้อมาขายแล้วของมันตายแล้วก็ซื้อมาเกินนี้ไม่บาปคําถามจ้าคุณสมพุทธนะครับที่ทํางานมีคนในที่ทํางานเอารัทเอาเปรียบแย่งการงาน แย่งสัมปทานในการทํางานจากเราไปเพื่อให้พวกเขาได้เงินมากขึ้นได้มากกว่าเราและใช้ชีวิตและใช้วิธีการแย่งที่มีที่มิชอบรำฝ่ายเราโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเราควรทําอย่างไรดีครับถ้าต่อสู้เรียกร้องก็เกรงว่าจะเป็นการก่อเวรหรือไม่แต่ถ้าอยู่เฉยๆให้พวกเขาเอาเปรียบก็สงสัยว่าตัวเราโง่เขาหรือเปล่าและเราก็ลําบากในการทํางานโดนกดขี่ และการที่พวกเขาแย่งเอาสัมปทานการงานไปทำโดยมิได้ทำอย่างตั้งใจแย่งโอกาสของเราไปอย่างไม่ชอบทำเพราะเพียงเพื่อต้องการทรัพย์มากขึ้นแบบนี้พวกเขาผิดศีลข้อสองหรือไม่ครับถ้ายังไม่เป็นการรักทรัพย์ก็ยังไม่ผิดนะการแข่งแย่งการแข่งขันนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเวลาเราไปแข่งเหรียญโอลิมปิกอะไรพวกนี้ แต่ละคนก็ต้องหาวิธีที่จะเอาชนะถ้าการหาการชนะนี้ไม่ได้ผิดกฎกติ ก, กาไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมมันก็ไม่บาปตรงไหนเพียงแต่ว่ามันเป็นการหลงทางเท่านั้นเองเพราะการหารากย่นสรนเสริญสุขนี่มันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเพราะงั้นถ้าใครก็อยากจะได้ก็ปล่อยเข้าไปเลย ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาอยากได้นั้นเป็นความทุกข์แต่เราก็เป็นเหมือนเขาแล้วเราก็ยังอยากได้เหมือนเขาพอเขาได้เราไม่ได้เราก็เลยโวยวายขึ้นมาแต่ถ้าเราได้เราก็ไม่โวยวายใช่ไหมเขาก็โวยวายขึ้นมาว่าเราใช้เอเลขใช้เพทุบายอะไรต่างๆงั้นกั้นก็พอกันละทั้งเขาทั้งเรา กโลบด้วยกันถ้าไม่ร่วมสักอย่างมันไม่เดือดร้อนอะ่ะเขาเอาไปได้ก็ เ, เอาไปเราก็หากินของเราไปตามตามมีตามเกิดของเราอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังตอนต้นใหให้มีมากน้อยสันโดษแล้วจะไม่มีปัญหากับเรื่องราวเหล่านี้ใครจะโกงใครจะใช้เล่เพทุ บ, บายอะไรต่างๆก็เรื่องของเขาเราไม่เอาแบบเขาเพราะเรารู้ว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ หาความเครียดกันเราหาแบบสบายสบายตามมีตามเกิดดีกว่าเอาน้อยๆไม่ต้องไปมีมากเอาพออยู่ได้ก็พอเอาความสุขจากการมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันดีกว่าคำถามจ้คุณมงคล น, นะครับในขณะขับรถตาคอยมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหูคอยฟังเสียงมือถือองมาลัยเท้าคอยเหยียบเบครคเอิญมีคนวิ่งตัดหน้า กิริยาของตาที่มองเห็นมือหัดพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือทางขวาเท้าเหยียบเบรก ท, ทันทีหรือผอนลงเพื่อไม่ให้ลดกว้าสิ่งที่กะทำลงไปคือสติที่ระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันใช่หรือไม่ครับส่วนใจที่สั่งให้ตาหูมือและเท้าทำงานพร้อมกันคือตัวรู้ใช่ไหมครับใช่คำถามจากคุณปรทุมมานะครับอ่า การเห็นสภาวะกายในที่จิตเข้าไปกับการอยู่ในสถานการณ์ภายนอกที่เผชิญอยู่เมื่อมีสถานการณ์โกรธอันไหนถูกอันไหนควรคะถามยากก็ายากงงผมยังงงวันงขอคําถามเคลียร์ๆหน่อยนะครับวันนี้ขอข้าไมไปนะครับคำถามนี้นะครับยังยังยังไม่มีตาเอยยังไม่มี ม, า, า, ม, ม, ม า, าแถวนี้ก่อน ก็ยจะถามชอบกินขอ้เซน <laughs> อย่ามาประจานกันนะี่ <laughs> <laughs> มันรถกันเด <laughs> ็วตรงนเดี๋ยวก็กลับธาคาร <laughs> ครับ <laughs> <c oughs> คาถามมาแล้วนะครับจากคุณปราพักนะครับมีสำนักสงฆ์อยู่บางสำนักสอนเรื่องการานิพพานระหว่างวันเป็นไปได้ไหมครับว่าจิตนิพพานแล้วแต่กายยังมีชีวิตอยู่ ใช้ชีวิตปกติอยู่ตามที่สำนักส่งนั้นนั้นสอนคือนิพานนี่มันมีสองแบบนิพานแท้กับนิพานเทียมนิพานเทียมก็คือเวลานั่งสมาธิจิตสงบนี้มันก็เป็นนิพานมันมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่มันเป็นความสุขชั่วคราวพอจากสมาธิมามันก็กลับมาวุ่นวายเหมือนเดิมนี่เราจะเรียกว่าเป็นนิพานเทียมก็ได้นิพานชั่วคราว นิพพานแท้นี่ก็มี2รูปแบบคือนิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่กับนิพพานแล้วไม่มีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าเป็นทั้งสองอย่างในวันเพ็ญเดือนหกตอนที่ท่านนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วท่านตัดสรู้นท่านก็ชำระจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก ค, าความโลภความโกรธความหลงแล้วใจของท่านเข้าไปเป็นนิพพานแล้วแต่ร่างกายท่านยังมีชีวิตอยู่และก็อยู่ต่อไปสี่สิปี อันนี้ก็ร่างนี่คือนิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอร่างกายตายไปปั๊บก็ยังก็ตานจิตก็ยังนิพพานต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้จิตของมุทธเจ้าก็ยังนิพพานอยู่เหมือนเดิมไม่มีวันสิ้นสุดอมะตะนี่คือนิพพานสองชนิดมีภาษาพระท่านเรียกอะไรนะสระอะไรจไังเวลานิพพานกับ นิพานมีสองอย่างนิพานที่ยังมีร่างกายอยู่กับนิพานที่ไม่มีร่างกายแล้วคือจิตไม่ได้มาจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเนี่ยจิตสะอาดในขณะที่ร่างกายยังไม่ตายกับจิตที่สะาดแล้วแล้วร่างกายตายไปแล้วก็มีสองแบบอาจารย์ครับผมรู้จักคนอยู่คนหนึ่งครับแล้วเขาเขาเป็นคนที่ดีดครับแต่ว่า เวลาเขาไปตามวัดเนี่ยเขามักจะเอาพวกลูกแก้วหรื อ, อ ไ, รไปถวายวัดผมอยากรู้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรที่มาบ้างครับก็ เ, เป็นความเชื่อของเขานะที<อ>่ว่าถวายลูกแก้วแล้วจะได้อะไรของเขามัง น, น, นานาจิตตังน า, นานาทัศนะแต่จริงๆไม่มีประโยชน์และไม่มีบุญอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์รรยถ้าไปวัดก็ควรจะ ถ, าถวายปัจจัยสี่ให้กับวัดเนี่ยเพราะพระต้องใช้ปัจจัยสี่ไม่รู้จะเอาแก้วไปทําอะไร จริงเพระวุาทวรูปนี้ไม่ควรจะไปถวายวัดเจะได้ซ้แต่ควรจะเก็บไว้ที่บ้านไหว้กันเอาไปถวายให้พระพระนี่มีมีพระเต็มวัดไปหมดเลยจนกลายเป็นกองขยะไปไม่รู้จะไปทําอะไรพระพระเทธรูปมีมีไว้องค์เดียวก็พอไว้สําหรับเรารื่องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้คนไปสอนว่าเออถวายพระเราจะได้บุญเยอะนี่ก็ไปถวายกันถวายพระเราจะได้เสด็จเคาะอะไรต่างๆ ก็เลยถวายก่อนร่อนก่อนบินทบาทเนี่ยมีคนถวายพระที่เป็นอะไรนะเป็นทองทองเหลืองเนี่ยองค์ใหญ่ๆประมาณสักสองเนี่ต้องห้าหกอง <c oughs> ขณะบิณทบาทรับกันไม่หวาไม่หวนก็ดีอย่างพอจะขึ้นร่อนมีญาติโยมมานั่งไหวก็เลยแจกพระไปเลยญาติโยมเอไปเอาไปกราบบูชากัน ไม่เรียบทองเรียบไม่ใช่ไม่นี่เป็ น, ปนพระพุทธรูปตั้งโต๊ะลงขนาดหน้าศอกเนี่ยะประมาณศอกหนึ่ง เ, เขามีความเชื่อกันนะคงมีคนสอนวอ่าถวายพระแล้วชีวิตจะเจริญนุ่งเรืองก้าวหน้าหรืออะไรก็เชื่อกันไปคจริงถวายของนี่ต้องดูความจําเป็นถึงจะเหมาะสมกว่าว่าพระท่านขาดแกนอะไรถวายในสิ่งที่ขาดแกนมันจะได้เป็นประโยชน์ ตองที่มันมีเหลือเฟือแล้วก็อย่าไปถวายอย่างอย่างนี้ถ้าถวายเหมือนลูกแก้วเนี่ยเป็นในเชิงพุทธานุสติม่ใช่พระอาจารย์หรือว่าไม่ใช่ก็แล้วแต่เขาจะคิดยังไงก็คิดได้เพราะงั้นแหละอาจจะพี่ว่าเป็นแก้วเป็นการถวายเพชรเนินจินดานก็ได้เปลือชาติหน้าจะได้ ม, มีเพชรเนินจินดาอะไรมา ให้อะไรให้ของเทียมยังไม่ได้ของของแท้คืนได้ไงให้ของเทียมชาแนลมันก็ได้ของเทียมต้องให้ของแท้ต้องให้ของแท้เลยไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วอาจไม่มีก็ดีจะได้จะได้จะได้ยุติการประชุมกันนะอาไม่ละวางแจะขอคําแนะนําชี้แนะเรื่องการรักษาสี่ห้าค่ะสมมุติว่าอย่างเราเราว่าจะ เราตั้งมั่นเราจะรักษาสินห้อแต่ในภารกิจเราจำเป็นต้องมีการมุ่สาอรเงี้ยค่ะเราต้องชำรเอก็รักษาสินสี่ไปก่อนสิถ้ารู้ว่าไม่รักษาสินห้าต้องไปรักษาทําไมต้องให้รู้ว่าเรารักษาได้เราถึงรักษาสิถ้าเรายังรักษาไม่ได้เราก็รักษาแค่สินสี่ก่อนแล้วพยายามที่จะหาหาวิธีรักษาศินข้อที่ห้านี้ให้ได้ ความจริงมันก็ไม่ยากถ้าเราไม่พูดสอย่างมันก็รักษาได้แล้วนี่ที่เราอดพูดไม่ได้เพราะว่าเรายัางมีความรักความชังอยู่บางทีถ้าพูดความจริงแล้วกลัวเขาจะโกรธเราเกลียดเราเี้เราก็เลยต้องพูดความไม่จริงเราอย่าไปกังวลกันเรื่องของคนอื่นดีกว่ากังวลเรื่องของเราดีกว่าคนเขาจะรักเราแต่เรากลายเป็นกลายเป็นเดราฉานนี่มัน เราให้เขาเกลียดเราเราเรายังเป็นมนุษย์อยู่ไม่ดีกว่าเลยการมีศีลก็จะทำให้เราเป็นมนุษย์ไม่มีศีลก็จะทำให้เราเป็นเดรัจฉานอย่างนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรดีเราจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานดีถ้าเราเสียดายเพื่อนเสียดายข้าวของเงินทองเราก็อาจจะต้องเป็นเดรัจฉานเพราะเราจะต้องพูดโกหกเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เสียดายเพื่อนไม่เสียดายของเราเสียดายความเป็นมนุษย์ของเรา เราไม่อยากเป็นเดรัจฉานเราก็อยากพูดโกหกเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาถามอะไรเราก็เฉยแค่ก็บอกเรื่องก็บอกเ้าวันนี้สบายดีฝนฟ้าอากาศแจ่มใสดีผมก็บีกเกลี่ยงพูดไปไม่ต้องไปพูดเรื่องที่เขาถามก็จบนี่ยจำเป็นต้องพูดเลยทีนี้แต่วันนี้สายเรามันติด พอใครถามปุ๊บนี่ต้องโกหกปั๊บเลยไปไหนเปล่านี่ก็กำลังไปถามว่าเปล่าเลยระอาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่าเป็นวิชาอาชีพไหมครับถค่ต้าโกหกขนาดนี้ครับเป็นผิดจริงไงมันเป็นบาปนีแต่อาจจะไม่ใช่วิฉาอาชีพใช่ไหมครับไม่ก็วิชาอาชีพเป็นเรื่องการทําอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นครับพอวิฉาอาชีพก็อาจจะเป็นวิฉาอาชีพมี2แบบ มิจฉาชีพก็คือทำผิดกฎหมายเนี่ย เ, เราก็เรียกมิจฉาชีพ<ม>ไปช่อกงไปโกหกหลอกลวงเขาก้อนนี้ก็เป็นมิจฉาชีพแต่มิจฉาชีพอีกอย่างก็คือการทำอาชีพที่มันไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็ยังถือว่าเป็นมิจฉาชีพอยู่เช่นขายสุราเนี่ยมันก็เป็นมิจฉาชีพในทางหลักของพุทธศาสนาแต่ในทางกฎหมายก็ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพเข้าใจนะโอเค